Book 2ู77 7เฮเหตุผลบางประการสามมีกรุณาโน้ตทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะว่าเพราะสป ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะยยทดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะรานต้องการลดนำหนักค่ะัไมกิน เ, กเพราะฉัน้ารลคะไม่าะกลด่มิเฉันต้องการลดนำหนักค่ะยยเพรฉันต้องรค่ะ ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะยายดื่มเพาี่ขับทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะมกมันเย็นแล้วค่ะเด่ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Jeg drikker den ikke fordi den er kold. Kun mig tage, Hvorfor drikker du ikke teen? d i t h e n ikke har n o g l a sukker. d e c h e r ikke drikker te, fordi jeg ikke har noget sukker. Jeg drikker ikke teen, fordi jeg ikke har noget sukker. ทำไมคุณไม่ทานซุปว่เดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ เ, เดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะีะ เ, ท, เทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ่ะ ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะย้ายเอเวกิชั่นดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะฉันไม่กินเนื้อเพราะฉันเป็นมังสวิรั